ا ل رحمة ورحيم الحمد لله رب العالمين ا ل ص ل ا والسلام على شرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن ت ب ع ه ب ح س ا ن ل ى يوم الدين ثم أما بعد سلام عليكم ورحمة الله وبركاته ت ج س ّ ك ا ر ب ك ا نرى أ ن ّ ا نحن نحن ن ن نحن نحن نحن نحن نحن نحن ที่ไม่สามารถเดินทางมาที่มัสซิ่งคมวัชเชียแนลมามาฟังก็สามารถฟังอยู่ที่บ้านอันที่จริงแล้วเนี่ยก่อนหน้านี้เนี่ยเรากเ็เราก็นําเทปไปตัดต่ อ, อ, อไปตัดต่อแล้วก็แล้วก็ไปเปิดอีกครั้งหนึ่งเพราะฉะนั้นคนที่จะจะอยู่ที่บ้านเนี่ย อ, อ, อาจจะเสียโอกาสที่จะฟัง ฟังการบรรยายสดแต่ได้ประโยชน์ที่มีการตัดต่อแล้วก็นำเสนอที่มีรูปแบบใหม่มากขึ้นและก็ดีขึ้นส่วนคนที่มาฟังที่มสซิดเนี่ยก็ได้โอกาสในการที่จะฟังฟังบรรยายสดและยังสามารถกลับไปดูอีกครั้งหนึ่งไปทบทวนสิ่งที่ได้ฟังไปในตอนบรรยายสด แต่ช่วงที่เราได้ม า, าถ่ายทอดสดแล้วแบบนี้ก็ไม่มีโอกาสนะครับที่จะไปตัดต่อใหม่นะครับจึงเสียโอกาสตรงนี้แต่หวังว่าโอกาสนี้โอกาสที่จะเรียนรู้ทั่วประเทศและก็ให้พี่น้องที่ไม่สามารถเดินทางมาเนี่ยได้ได้ฟังกัน ทั่วประเทศนี่ถือาเป็นโอกาสที่ใหญ่หลวงที่เราต้องขอบคุณอนุสสมพานาหัวตาแหล่งวิกฤตบางวิกฤตเนี่ยถ้าเราจะมองมัวแต่มองในในแง่ที่ไม่ดีหรือในความบกพร่องของมันเนี่ยเราก็จะไม่เราก็จะไม่มีอะไรดีขึ้นแต่ถ้าเรามองในแง่ที่ดเีเรียกว่าในมิน่นหะในรางวัลที่เอามาให้มาในในวิกฤตนั้น เราก็จะเห็นว่าอัน ท, ที่จริงแล้วเนี่ยมันไม่ได้เป็นวิกฤตมันเป็นโอกาสสำหรับเราก็ต้องขอบคุณอัลลอฮฺสุบฮานวะดาลาที่พระองค์โปรดปรานนะครับให้พี่น้องหลายคนนะครับได้คุยโอกาสที่จะเรียนรู้เรื่องราของศาสนานลยเนื่องจากภารกิจในการทำงานทาหากินหารายไ ด, ได้ดูครอบครัวตัวเองแต่พอได้ถึงสถานการณ์ โรคระบาดนี้ต้องอยู่บ้านจึงได้มีโอกาสศึกษาเรียนรู้ศา ส, สนามากขึ้นนี่การเป็นแนวว่าที่อัลลอฮฺสุบฮานาอูดาลาให้กับคนหลายคนหลายครอบครัวก็ได้ก็ได้มีโอกาสตรงนี้นะครับวันนี้เราจะมาอธิบายความหมายสุลตาราฟตอนตอนท้ายนะครับแล้วก็คิดว่าน่าจะจบวันนี้นะครับเพราะวันนี้ก็จะเป็น สุกจะเป็นวันอาทิตย์สุดสัปดาห์สุดท้ายแล้วล่ะก่อนที่จะเข้าเดือนรอมฎอนเพราะจะจะเริ่มดูเดือนรอมฎอนตั้งแต่วันวันพุหหรือวันพฤหัสเสารที่จะถึงนี้ในเดือนรอมฎอนก็ยังไม่แน่ว่าตารางาช่วงเช้านี่จะมีหรือไม่มีนะครับเดี๋ยวต้องต้องปรึกษาหา ร, หรือกับฝ่ายบริหารอีกครั้งหนึ่งแต่วันนี้เราจะ ศึกษาช่วงสุดท้ายของสุด อ, อารอฟและเราจะสังเกตว่าช่วงท้ายของออารอฟเนี่ยมันจะเป็นเนื้อหาที่เหมือนท่อนเดียวที่มีเนื้อหาใกล้เคียงกันผมบอกว่ามันเป็นช่วงท้ายของอ า, อารอาฟเนี่ยมันเป็นบทสรุปมันเป็นบทสรุปถึงคําสั่งสอนต่างตา่ที่บรรดาอบีลุลเลาซูล ได้สอนประชาชาติของเขาในช่วงช่วงแรกช่วงช่วงกลางแล้วก็ตอนท้ายหน่อยของเลอา่อารอบเนี่ยก็ประมาณเกือบร้อยจ็ดสิบกว่าอายาเนี่ยล้ว น, นเป็นเรื่องราวของบรรดาอบีลอฮฺประชุดเริ่มตตัง้ตงแตง่เรื่องท่า น, นอัลอฮดดัมแล้วก็สุดท้ายนี่ก็จะเน้นเรื่องท่านอัลมูซ่า กหนึ่งนบีนบีฮุดนบีซาลนนบีชไวคําสั่งสอนที่เหล่านบีรอซูลทั้งหลายมามาย้ากับประชาชนเนี่ยนิหนึ่งเรื่องอธิดาเรื่องหลักศรัทธาหลักเชื่อมั่นการให้อกาพระเบนอสบุฮานวะดาระการละทิ้งซึ่งภากี ที่ถูกอุปโลกขึ้นมาผูกพันระหว่างระหว่างมนุษย์กับพระเจ้านี่คือคำสั่งสอนที่ผ่านมานะครับแล้วก็รายละเอียดจากเหตุการณ์ต่างๆนี่ก็จะก็จะเน้นอยู่ในสองประเด็นนี้ตอนท้ายเนี่ยก็จะมีการสรุปเรื่องนี้เหมือนว่าเลกสุภานุวาราอยากจะให้คำสั่งสอนบทสรุปเนี่ยมันเป็นกฎเหล็ก ที่พวกเราไม่ควรลืมหรือเป็นาฐานสาคัญในด้านาในเรื่องความเชื่ออุดมการที่เราจะถือเป็นบรรทัดฐานในการใช้ชีวิตนั่นคือเราต้องเราต้องเชื่อในพระสุภาราวดาอะไรอย่างไร และความเชื่อนั้นมันจะต้องส่งผลกับชีวิตของเราอย่างไร อ, อปฏิเสธไม่ได้นะครับว่าระหว่างภาคทฤษฎีที่เราจะอ่านกันเราจะศึกษากันกับภาคปฏิบัติที่มันจะใช้จริงในชีวิตเนี่ยบางทีนีมันห่างกันอย่างสิ้นเชิงบางทีเราเรียน เรียนทฤษฎีอะไรได้านฟิสิกด้านเคมีเนี่ยกว่าจะมาเจอในชีวิตเนี่ยนะแล้วอ๋ออันนี้เนี่ยอธิบายด้วยหลักฟิสิกอ๋อที่เราเรียนกันมาเนี่ยหลักเคมีเออ น, นี่ก็การนี่แหลที่เคยเรียนกันมาเนะี่ยแต่กว่าจะมาเจอในชีวิตจริงไงนะมันก็ไม่รู้จะเจอเมาาื่อไหรฉะนั้นการกทบทวนมันมีประโยชน์และยิ่งสิ่งที่เราต้องทบทวนนี่คือเรื่องหลักการศาสนาสําคัญสําคัญ สุราตอาราฟเนี่ยเรียกว่าสุราตมักกีย์สุราตูประทานลงมาในในเมืองมักกะนะครับแล้วก็จะเน้นเรื่องอากีดาเรื่องหลักศรัทธาเหมือนสุรามักกีย์ทั่วทวไปการที่อัลลสุบฮะวะตาให้สุรามักกีย์นีซึ่งมีจานวนมากในกุรานเนี่ย ยังคงเป็นกุญานที่ต้องอ่านแล้วก็ต้องทบทวนก็แสดงว่าเรื่องหลักศรัทธาที่ท่านนบีสุลตารเลยเสลมสั่งสอนที่ท่านนบีได้พูดกับชาวกุเรชชาวมักกะซึ่งเป็นคนไม่ใช่เป็นคนศรัทธานะเป็นคนที่ตั้งภารกิจมาเป็นคนที่ปดิศรัทธาและคำสั่สอนนี้เนี่ยมามามาโต้แย้งกับเขาในเรื่องที่เขามิอํารับ เพราะสภาพของคราบสมุดรอรับนี้มันหมดหมดสิ้นไปแล้วมีแต่ผู้ศรัทธาแล้วนบีไปอยู่ที่มดีน่าแล้วคุณอ่านก็จะมีห <c oughs> ลักการว่าด้วยบริหารด้วยจัดการสังคมแต่ก็ยังไม่ไม่ยกเลิกคำสั่งสอนที่ท่านนบีใช้สอนในมักกะเนี่ย ในเรื่องว่าด้วยหลักศรัทธาเนี่ยมันก็ยังคงมีประโยชน์เขาอยู่ไปอยู่มานี่นะครับพ400รปีเนี่ปรากฏว่าทั้งเรื่องหลักการบริหารที่ ท, ท่านนบีใช้ในมาดีนะหลักการสอนเรื่งความศรัทธาที่นบีสั่งสอนในเรื่องทฤษ น, นีในมักกะเนี่ยทั้งสองอันไม่มีประโยชน์เพราะในโลกเนี่ยก็จะมีสถานการณ์ ความแขะขาดแคลนในทั้งสองเรื่องหนึ่งเรื่องขาดความศรัทธาขาดความเชื่อมัน่นฐานของความเชื่อที่จะให้มนุษย์เนี่ยหนักแน่นมีที่พึ่งโรคระบาดนี่ที่เราประสบนี่มันเป็นตัวอย่างให้เห็น ไม่มีอะไรช่วยได้เลยไม่มีอะไรช่วยได้เต็มที่เลยถ้าเราไม่มีที่พึ่งมนุษย์จะไม่ไม่หนักแน่นมนุษย์จะไม่รู้สึกเหนียวแน่นมีมีที่ยึดถ้าได้แต่แ พ, แพทย์วิทยาศาสตร์ถ้าได้แต่ระบบบริหารแผ่นดินซึ่งเราก็เห็นกันนะครับทั่วโลกเนี่ยอันเนรนาธเลยนะครับ ปรเทศที่เคยเห็นว่าเป็นประดเทศมหาอำนาจเป็นประเทศที่เจริญมากเรื่องสาธารณสุขเนี่ยโกกระบาดนี่โอ้ยทําให้เปลื่อยเลยอะ่ะหมดท่าเลยอะ่ะไม่มีอะไรไม่มีอะไรที่สร้างความมั่นใจความมั่นคงกับกับมนุษย์เลยมนุษย์ก็เลยต้องกลับกลับมา มาทุบทันวนัวโลกนี้เนี่ยไม่ได้ถูกบริหารด้วยมนุษย์นะเพราะแต่มนุษยนะ์ น, ษนี่บริหารและมนุษสามารถบริหารได้ด้วยตัวเองโรคระบาดนี้ไม่น่าจะอยู่นานแบบนี้หลายเดือนแบบนี้และอาจจะอยู่นานกว่านี้แต่สารการนี่มัมิสูจน์ให้เห็นนะครับว่ามานุษย์จะต้องจะต้องทบทวนหลักความเชื่อนี่และยังจะต้องทบทัวเรื่องหลักการบริหารไว หลักการบริหารของอิสลามนี่มันมีเรื่องศีลธรรมมีเรื่องคุณธรรมแม้มว่าเราจะเราจะมีมาตรการด้านวิทยาศาสตร์ที่จะป้องกันโรคระบาดแต่หลักวิทยาศาสตร์นี่ไม่มีมาสอนเรานะว่าต้องชื่อช่วยคนเดือดร้อนหลักวิทยาศาสตร์หลักการแพทย์นี่ไม่ได้มาไม่ได้มากระต้นให้เราบริจาคจะได้ไป เอาเอาอาหารไปช่วยคนที่เดือดร้อนคนที่ไม่มีจะกินอนนี้อันนี้มีตหลักการศาสนาเท่านั้นซึ่งอยู่ในหลักการบริหารของอิสลามที่ท่านลบีใช้ในเมืองมดีนถ้าเรามาดูกันนะครับว่าในส ورة อัลอาตอนท่ายาละซุบฮานวดะอาลายักจะยซลบไรอีกกับผูสดธานะครับอูดุบิลมินัชตนรจีม هو الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها ليسكن إليها فلما تغشى حملت حملا خفيفا فمرت به فلما أثقال ا ل د ع و الله ربهما لئن أتينا ت صالحا لم ك ن ن من الشاكرين فلما أتاه صالحا جعل له شركاء فيما أتاهما فتعال الله عما ي ش ر ك و ن نبي ن كب ความโปรดปรานที่อาม่าให้แก่มนุษย์โดยเฉพาะเรื่องการให้บุตรการที่มนุษย์เพศชายเพศหญิงสมสู่แต่งงานตั้งคันมีลูกกระบวนการทางธรรมชาติเนี่ยมนุษย์เนี่ยหลงไปเชื่อในสิ่งที่มันไม่มีข้อเกี่ยวข้องเลย จนกระทังถ้าไม่มีบุตรบางทีเนี่ยก็จะไปขอบุตรจากเวิตจากการแขวนอาซิมัสจากการไปบนบานโตะมาตอมโตะอวลีหรือไปบนบานศาลพระภูมิที่นูน่นที่นี่ซึ่งถ้า ถ, ถ, ถ้าเอาตามหลักวิทยาศาสตร์มันก็ไม่ีกี่ยวเลยเนี่ยหลักวิทยาศาสตร์นี่คณไม่มีลูกก็จะไปจะไปสาลเจ้าไปถมัดจะช่วยได้อะไร ไม่มีลูกจะไปหาอตุรกียอิยาลีจะช่วยอะไรแ่บนี้ศาสตร์มันก็ไม่มีกันหลักศัทธาแหละกันหลักศัทธานี่ก็ชช่นเดียวกันมนุษย er. ์จะช่วยมนุษย์ได้ไงอัลลอฮฺ س ب า ا ن ه และ ت ع ا ل ลยกตัวอย่างของเรื่องการตั้งภาตีที่จะทให้มนุษย์เนี่ยอาจจะหลงหลงทางไปจากเรื่องความโปรดปรานอย่างหนึ่งการมีบุตรไม่มีบุตรถ้าเราไม่รู้ถ้าเราไม่รู้ ว่าผู้ทรงประทานให้มีบุตรทรงประทานให้ให้มีลูกเนี่ยขึ้นอยู่ที่พระเจ้าพร ะ, ระผู้อภิบาลพระผู้สร้างบุตรพระผู้สร้างลูกพระผู้ทำให้ตั้งคันนี่อยู่ที่อรรถสุภานุวตาร์นะครับแต่มันเกิดขึ้นบ่อยครั้งนะครับในคับสมุทรอาหรับและในลูกนี้ทั้งหมดเนี่ยว่ามนุษย์จะไปจะไปขอ มีบุตรจากผู้อื่นที่ไม่ได้เป็นพระเจ้าเราก็เลยกล่าวว่าพราะองค์นั้นคือผู้ที่ได้ทรงบังเกิดพวกเจ้าจากชีวิตเดียวและได้ทรงให้มีขึ้นจากชีวิตนั้นซึ่งคู่ครองของชีวิตนั้นก็คือสามีภรรยาเพื่อชีวิตนั้นจะได้มีความสนบสุขกับนางก็คือ สามีจะได้มีความสงบสุขสงบสุขกับภรรยาเนื้อสกุลอะไรฮะเปรื่องแปลกนะครับสำนวนกุฎาณีสำนวนกุฎาณีไม่ด้บอกว่าไม่ได้บอกว่ า, <c oughs> วาจะได้มางมีมีความสงบสุขกับนาย <c oughs> สังเกตนะลัทธะโบราณบอกว่า เพื่อชีวิตนั้นก็คือของชายนี่แหละจะได้มีความสงบสุขกับนางกับนางหรือสกุลไหนเลยกับนางก็แสดงว่าที่จะมีความสงบสุขเนี่ยคือเพศชายไม่ใช่พี่หญิงนะและนั่นเป็นหลักฐานชัดเจนว่าผู้มีความสามารถมีพลังงานที่สามารถให้ความสงบกับคู่ครองมากกว่านั้นคือภรรยา ภรรยาไม่ีสามีภรรยาที่จะมีหน้าที่ทำให้สามีมีความสงบสุขสกีนะ่ะเลียสกูน่ะอเเพราะอะไรอเพราะสามีเนี่ยมีหน้าที่ต้องดิ้นรนทำมามากินต้องสูร้รบต้องปกป้องต้องถืออาวุธปกป้องชีวิตของของครอบครัวปกป้องทรัพย์สินของเขา ชีวิตของเขานี่มีแต่ดิ้นรนมีความเดือดร้อนมีความกังวลใครเล่าที่จะให้ชีวิตแบบนี้เนี่ยมีความสงบสุขแต่มีชีวิตเดียวชีวิตของนางชีวิตของภรรยาเลียสกุลเอลี่ฮ์และความสงบและความสงบสุขเนี่ย <c oughs> เป็นธรรมชาติที่ไม่มีใครสา ม, มารถเปลี่ยนแปลงได้ ในสังคมปัจจุบันที่พยายามที่จะบิดเบืนอนโครงสร้างสถาบันครอบครัวให้สามีภรรยาเป็นเพืเดียวกันในงานวิจัยนี้ก็ยังเห็นในยังยีงพิสูจได้เห็นนะครับว่าว่าสังคมแบบนี้เนี่ยก็ไม่เกิดความสมดุลมีแต่ความมุ่นววา สังคมสังคมที่มีครอบครัวเป็นเพศเดียวกันนะ่ะผู้ชายแต่งงานกับผู้ชายผู้หญิงแต่งงานกับผู้หญิงมีครอบครัวแล้วก็ยังดันไปหาลูกบุตรบุญธรมจะได้ถือว่าเป็นครอบครัวไม่เกิดความสงบไ ม, ไม่ไม่ตอบโจทย์สังคมไม่ได้ความสมบุบและทุกวันนี้ น, นะครับเราก็ยังต้องกลับมาสู่ธรรมชาติเดิมว่า สถาบันครอบครัวและต้องสถาบันครอบครัวที่มีคุณธรรมด้วยนะสถาบันครอบครัวที่มีศีลธรรมด้วยนะที่จะให้สังคมเนี่ยมีมีความแข็งแกรง่งถ้าเรานึกถึงอิสรภาพที่จะให้สังคมเนี่ยได้มีได้มีโครงสร้างได้มีอิสระในการสร้างครอบครัวที่มีโครงสร้างผิดเพี้ยนแบบนี้นะครับลอ ง, ลองพี่ลองลองจินตนาการดู มันก็เหมือนคนมีนักวรรณคดีคนหนึ่งเขาได้เขาได้เขียนนิทานเกาะเกาะนึงอะมีแต่มีแต่ผู้หญิงเกาะนึงมีแต่ผู้หญิงแล้วก็ผู้ชายนี่ก็ได้นั่งเรือได้นั่งเรือไปนี่หลงเราไ ป, ไปไปอยู่ในเกาะแค่นั้นแหละครับเป็นเรื่องเลยเกาะนั้นไม่อยู่คือเนื่องจากว่าเขาาไม่เห็นไง อยู่อยู่ปเป็นพศเดียวกันน่ะแล้วเขาไม่ลึกว่าเออโลกนี้ชีวิตนี้เนี่ยจะต้องเป็นแบบไหนมัวแต่สแสวงหาความสุขสุขสุขระยะสั้นแต่ไม่มองถึงภาพรวมของโครงสร้างธรรมชาติที่เร า, าสร้างไว้ทําไมต้องมีเพศชายทําไมต้องมีเพศหญิงและโครงสร้างของเพศชายต้องเป็นยังไงของเพศหญิงต้องเป็นยังไง แลก็พี่ชายกับพีหญงนี่พมาอยู่ด้วยกันนะ่ะพี่หญิงเนี่ยจะให้อะไรกับพี่ชายพี่ชให้ให้อะไรกับพีหญิงอยู่ด้วยกันแบบนี้เนี่ยดูแลนี่ความเหมาะสมความเหมาะเจาะความสอดคล้องทุกอย่างเนี่ยมันยอดเยี่ยมแล้วที่จริงเนี่ยมนอยู่กันอย่างนี้ตั้งแต่หนึ่บันถึงปัจจุบันเนี้เป็นเป็นแสนปีเป็นหมื่นปีเนี่ยมเราไม่เคยเห็นอะไรที่มันผิดปกติเนี่ยเป็นแบบนี้มาโดยตลอดไง แต่มาช่วงนี้นะครับที่เริ่มมีอะไรผิดเพี้ยนความคิดผิดเพี้ยนที่ทํำให้สังคมเนี่ยเริ่มมีความวุ่นวายจึงเป็นหน้าที่ของทุกคนนะครับที่คิดคิดสั้นนะครับว่าว่าชีวิตของเขาเนี่ยชีวิตของเขาเนี่ถ้าเป็นผู้ชายเนี่ยก็คงคงจะชอบชายอย่างเดียวถ้าเป็นผู้หญิงก็หญิงอย่างเดียวให้ทุกตัวนะครับท่านให้ทุกตัวนะครับอันนี้ไม่ใช่อันนี้ไม่ใช่ธรรมชาติและอันนี้ไม่ใช่ความสุขที่แท้จริง อันนี้เป็นสิ่งอันนี้เป็นสิ่งที่เกิดจากอจกจิตใจที่ไม่ไม่ไมสงบจริงอ่ะจิตใจที่ไม่เข้าใจอ่ะเหมือนประทานโทษนะครับยกตัวอย่างก็เหมือนคนที่มีมีความสุขกับการสูบบุหรี่นะเพาจะบอกวก็เป็นสิ่งครัาเนี่ยเขาอยากสูบบุหรี่เขามีความสุขมีคนมีความสุขกับการกินเหล้า มอบอกว่าอย่าไปห้ามก็ดีเขาอยาเามีความสุขกินล้วใช่เขามีความสุขในมุมมองเขาดิแต่เขาไม่รู้นี่มันทาลายอวัยวะของเขาในที่สุดนี่เขาต้องหายนะเช่นเดียวกันการที่จะมีครอบครัวนี่คู่ครองนี่เป็ชายกับเปหญิงนนะที่อัลลสร้างไว้แบบนี้อัลลอฮพลินมาถชาฮครั้นเมื่อชีวิตนั้นได้สงสู่นาง คือชีวิตชายเนสมสู่นี่ก็คือมีเรื่องหลับนอนระหว่างกันน่ะนางก็อุ้มคันอุ้มอุ้มคันอย่างเบาๆก็คือยังไม่แน่ใจคือตั้งคันไปก่อนแต่ตัวเองยังไม่รู้พรตัวก่อนด้วยเองไม่มีตรวจเนี่ยตั้งคันแล้วก็เอ๊รู้มสึกใช่หรือไม่ใช่ประจําเดือนมันหายไปอ่ะแล้วนางก็ผ่านมันไปคือผ่านการท่างตั้งคันเอียงไม่เอะใจอะไรครั้นเมื่อนางอุ้มคันหนัก หนักและท้องท้องร่วมแก่แล้วเริ่ม ร, รู้สึกว่ามีอะไรกันล่รกระนุกกระดิกกันในในท้องน ะ, เ, ะเขาทั้งสองก็ยินวอนต่ออมภ์ผู้เป็นพระเจ้าของเขาทั้งสองถ้าหากพระองค์ทรงประทานบุตรที่สมบูรณ์ให้ข้าพระองค์แล้วแน่นอนข้าพระองค์ก็อยู่ในหมู่ผู้ขอบคุณคือ รู ni, ้ก ik ันรูรู u, ้กันว่าอัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى เป็นเป็นผู้ประธานประธานทฤษฎีประธานเนื้อมาประธานบุตรแต่อะไรที่ทำไม่ทำให้มนุษย์เนี่เพี้ยนเกิดขวัญเนื่อจากว่าประสบการณ์บางอย่างอุลามะที่ได้อธิบายบอกว่าก็คือได้ตั้งคันแล้วก็มีลูก แทงแล้วก็ตั้งคันมันมีลูกแท้งอีกเซตตอนก็มาบอกว่าตั้งครันจะมีลูกเนี่ยให้ตั้งซี่ลูกเนี่ยเป็นบุตรของเซตตอนถวายให้เซตตอนแล้วมันจะรอดมีรูปแบบบ ร, บราณโบราณนะนะบางทีมีแบบนี้นะไปถวายอะไรกับผีไปอะไรกับแฮะ ถ้าหากไไ็ได้รอดแล้วนี่จะถยให้ผีเลยคือใชยต้า น, น่นแหละแต่ในรูปแบบที่มันดูเออดูชาการหน่อยนะก็คือไปออไปโต๊ะตะเกียหรือไปศาลพระภูมิแล้วก็มีการถวายเส้นไหว้มีอะไรนะเออมันดูมันดูทันสมัยหน่อยมันก็เป็นการตั้งพากีเหมือนกันเหมือนกัน พระเจ้าเองนี่ฟ้วเมื่อเอต่าหุมา صالح เจ้าแล้ว له شركاء في ما أ ت ا ه ม ا ครั้งเมื่อพระองค์เบี่ยงประทานให้เขาทั้งสองขึ้นบุตรให้ทั้งทั้งสองซิ่งบุตรซิ่งอร่อยให้มีบุตรที่สมบูรณ์แล้วเนี่ยเขาทั้งสองก็ให้มีบรรดาภากีขึ้นแก่พระองค์คือไม่ได้ขอบคุณอมรละก็ไปขอบคุณเฉยตอนไปขอบคุณผีไปขอบคุณสาร ใสารพรภูมิไปขอบคุณโตตะเกียต์ตมะกอมตอวลีในสิ่งที่พระองค์ทรงประทานให้แก่เขาทั้งสองอัลลอฮอนั้นท ส, สูงเกินกว่าที่พวกเขาให้พากีขึ้นมาแต่การอลัลลอฮุอ ม, มามชิริกูลบรยนก็คือเนอ้อแมที่อัลลอ์ให้มาเนี่ยเราต้องหนักแน่นนะครับว่าทุกสิ่งทุกอย่างนี่มาจากอัลลอ์ อัลลลลอฮ์มีบททดสอบจะให้ไม่ให้มีนะเราก็ยังอยู่กับอัลลอฮ์เราจะจนเราจะรวยก็ยังอยู่กับอัลลอฮ์อัลลอฮ์จะให้ลูกอัลลอฮ์ไม่ให้ลูกยังอยู่กับอัลลอฮ์อัลลอฮ์จะให้งานจะให้ตกงานก็ยังอยู่กับอัลลอฮ์นี่คือบทเรียนสําคัญนะครับดุรัพักกันสักครนะครับแล้วก็กลับมาอ่านตักเียกันอีกรอบหนึ่งนะครับสลามานลัยกุมรอห์มัตุลลอฮิวรกาตุบทเรียนที่เราควรเรียนนะครับว่า ไม่สมหาโนกาเลยให้ให้บททดสอบนั้นเพื่อให้เราได้กลับไปหาพระองค์นักนน่นกับอัลลอฮ์ไม่ใช่บททดสอบที่ได้ลืมอัลลอฮ์แล้วไปหาผู้อื่นดังนั้นอัลลฮ سبحانه และก็อุชาลิกุนะมาละอลลุคุชัยอันอุมุลลักูนพวกเขาจะให้สิ่งที่ไม่บังเกิดอันใดมีหุ้นส่วนกับพระองค์ทั้งนั้นีพวกมัน ถูกบังเกิดขึ้นกระนั้นหรือหมายถึงว่าคือจะไปตั้งพากีทั้งไม่มีพากีนั่นนะ่ะไม่ได้บังเกิดอะไรมาไม่ได้สร้างอะไรมาไม่ได้ทำอะไรมาแล้วเราจะให้มันมีหุ้นส่วนกับอัลลอฮ์ได้ไงอัลลอะ์เป็นผู้ให้เราได้หายป่วยแล้วเราทำไมต้องไปหามนุษย์ไปตั้งพากีไปเส้นไหว้ไปอะไรกับมนุษย์กับสบรรพสิง่งที่เป็น ที่เป็นสิ่งที่ถูกสร้างเนี่ย ท, ท้านยังดมันก็เป็นสิ่งที่ถูกสร้างเหมือนเราแต่เราจะให้มันมีหุ้นส่วนเหมือนเป็นพระเจ้าที่บังเกิดเป็นพระเจ้าที่อภิบาลเป็นพระเจ้าที่ดูแลสรรพสิ่งทั้งหลายมันเป็นประกาศที่ปัญญาชนจะทำไม่ได้ ولا يستطيعون لهم نصرًا ولا أنفسهم ينصرون และเพื่อมัน ไม่สามารถให้ความช่วยเหลือใดๆแก่พวกเขาและทั้งไม่สามารถช่วยเหลือตัวของพวกมันเองด้วยเรื่องนี้มันเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่มาดินะอามรุลจมู ح, เป็นเป็นคนชาวอังซอสเป็นชาวมาดินะคนหนึ่งแล้วก็เป็นคนที่มีเจวิะเจวิตอยู่ที่บ้าน อินบีม า, มาดีน่าเนี่ยมาเรียกร้องเนี่ยแกก็ไม่ยอมแก่ก็ยังยังยืน ย, ย, ยันว่าจะบูชาจเจวิตของเขาแล้วก็มีจเจวิตในบ้านทุกวันตอนเย็เนเด็กก็จะเอาหน้าหอมอนแบบแพงๆเนี่ยมาหมุมมาทาจเจวิตทาจเจวิตแล้วก็กราบไหว้จนลูกชายลูกชายเขาเนี่ยรับอิสลามแล้วก็อยากจะให้พ่อเขาเได้ใช้สติก็เลยไปแอบเอาจเจวิตเนี่ย ไปทิ้งที่กองขยะเขาก็ไปหาหาทั่วเลยเนี่จนเจอเจอจากกองขยะนี่ก็เอาล้างอาบน้ําให้ดีแล้วก็ทานื้อหอมแล้วฮะแล้วก็เอาดาบมามาวางน่าจะเหตบอกว่าใครจะมาทําอะไรเนี่ยปกป้นตัวเองเนยะอย่าให้ใครมามาดูถูกเรานะอีกวันหนึ่งนูกชายนี่ก็สนเดือเกินกเงา เอาเจ้าเวทเนี่ยไปไว้ในกองขยะอีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็ไปผูกกับซากซากหมาน้วนะครับศุดหมาเนี่ยหมาเน่าแล้วอะ่พะพอกลับมานี่ไม่เจอเนี่ก็ไปหาเอออยู่ไหนอะ่ะพระเจ้าของฉันอยู่ไหนอะ่ะอา้อาวหาแล้วพระเจ้าพระเจ้าอยู่ในกองขยะแล้วก็ผูกผูกกับหมาเน่าตัตั้งแต่นั้นนะ่ะเขาก็เลยคิดบอกว่า พระเจ้าหนีช่วยเหลือตัวเองไม่ได้จะจะมาช่วยเหลือฉันได้ไงเนี่ยเนี่ยเทียนมูช่วยเหลือตัวเองไม่ได้แล้วก็จะมาช่วยชันได้งไงและสติยู่ในโลกมัศลันและอนุเซมีสุรุนพวกมันไม่สามารถให้ความช่วยเหลือใบใบแก่พวกเขากับคนที่บูชานะและทั้งไม่สามารถช่วยเหลือตัวของพวกมันเองก็คือก็คือพวกจเจ้าหนุ่ะมันไม่สามารถช่วยเหลือตัวมันเองได้ นี่คือบรรดาภากีทั้งหลายบรรดาภาคีทั้งหลายที่ถูกบูชาอื่นจากอัลลอ์เนี่ยถูกสักการะอื่นจากอัลลอ์เนี่ยลวนเป็นสิ่งที่อ่อนแอมันช่วยเหือตัวเองไม่ได้วาอินเตดูอุมตที่สาคัญที่สุดนี่อัลลอฮ์บอกว่อินเตดูอุมอินะลูดาไล่ตบิญุคุมสวาอุอะไลคุมอัจญาวุมุฮุมอัมอัลตุมซามิทุนบรรดาเจ้าอดบรรดาภากีเนี่ย ลองเชิญชวนมันดิเชิญชวนให้มันทําความดีบรรดาเจวิตบรรดาภาคีที่มันเป็นสัพสิ่งที่มันถูกสร้างเนี่ยลองเชิญชวนให้มันทําบุญทาความดีกับเราสิดูสิมันจะมันจะตอบยังไงและหากพวกเจ้าเชิญชวนพวกเขาไปสู่คําแนะนําที่ถูกต้องทางนั้นที่ดีทําความดีด้วยกันน่ะพวกเขาก็จะไม่ปฏิบัติตามพวกเจ้า ก็มีผลเท่ากันแกพวกเจ้าพวกเจ้าจะเชิญจะเชิญชวนพวกเขาหรือพวกเจ้าจะนิ่งเฉยอยู่ก็ตามมันก็เป็นผลเดียวกันน่ะจะเชิญชวนหรือไม่เชิญชวนเพราะอะไรอ่ะแต่ก่อนนั้นอ่ะเจวิตที่เขาบูชานี่มันเป็นไม้มันเป็นหินหรือเป็นโลห ะ, ะมันจะตอบต้ อ, อย่างไงอะจะเชิญชวน เชิญชวนมาทำบุญด้วยกันดิเชิญชวนมามาต่อสู้ความทิศมาต่อสู้ความชั่วมันก็ไม่ตอบเพราะมันเป็นสิ่งที่ไม่มีชีวิตไง Allah สุ ح ا ن ه าละ تعالى เชิญชวนให้มนุษย์เนี่ยได้ใช้สติปัญญาพิจารณาว่าพระเจ้าที่ควรสักการะพระเจ้าที่ไม่ควรมี ใครที่จะมาให้มีหุ้นส่วนกับพระองค์ในการคารพสักการะเนี่ยคือพระเจ้าที่ ม, มีค ว, วามสามารถพระเจ้าที่ได้ ย, ยินพระเจ้าที่เห็นที่มีความสามารถมีเดชานุภพาพในการที่จะช่วยเหลือพวกเราและนั่งนี้เราได้พิสูจน์ในชีวิตเวลาเรามีปัญหาอะไรแล้วก็เราขอเราอิงวอ น, นวต่อเราสุภาเนวตาลราเราเราสัมผัสเราเห็นความช่วยเหลือ อาภีมิหารที่มนุษย์ทุกคนไม่ได้เจอกับตัวเองหรือได้ยินจากคนอื่นในเรื่องความช่วยเหลือที่เราสุภาณวดาละให้ที่เราสุภาณวดาละได้เข้ามาบัญชาซึ่งตามกติกาของธรรมชาติเนี่ยมันไม่น่าจะเป็นไปได้แต่เราขอแล้วเนี่ยพระเจ้าเนี่ยส่งความช่วยเหลือมาให้เลาจึงสรุกว่าอินนัลลิีนะ่ท่ดูอุนอัมดูลอัลลัฮิอิบะดอัมซาลุคุม ฟะตุโง่หุ่ ม, ม, มละลี่สติจิบุลักุมอินคุณตุมซอดิตินถ้าทีบ่บรรดาผู้ที่พวกเจ้าวิมวนันขออินจากอัลลอฮ์นั้นคือผู้ที่เป็นเบาเจวิตนี่ก็เป็นเบาสรรพสิส่งทั้งหลายที่ถูกอ้างว่าเป็นพวกเจ้าถูกสักการะอินจาก็ักกนเป็นเบาเยี่ยงพวกเจ้านั่นเองก็เหมือนพวกเจ้านีแะไรไม่ต่างกันแหละในในเรื่องความอ่อนแอ จ้องวิงวอนขอตอบพวกเจ้าอพวกเขาเถิดและจงให้พวกเขาตอบ ร, รับพวกเจ้าด้วยหากพวกเจ้าเป็นผู้พูดจริงไปคุยกับมันนี่มันจะตอบไหมมาพูดกับตอนนั้นมาอาบที่เขาบูชาเจ้าเวทนะแล้วไปคุยกับมันนี่มันจะตอบไหมตลอด ที่อาหรับมูชาจวยซึ่งซึ่งระยะเวลาที่อาหรับเขามูชาจวยเนี่ยมันเพียงไม่กี่ร้อยปีนะแต่าสมุนอาหรับตั้งแต่สมัยท่านนบีอิบราฮิมยนถึงนบีมฮัมมัดสลลลอฮุลฮิวมเนี่ยอาหรับสวนมากนี้เขาชืศาสนาท่านนบีอิบราฮมรู้จากอัลลอ์ดีแต่ก่อนท่นมีมูฮัมมัดประมาณมปีมีหัวหน้า พอขุ้นงานเชือมมรุบมลุ حي ขุ้นงานเดนี่ผมเล่ามาเลยคัและเขาไปทาธุรกิจไปไปเปอร์เซียไปโรมันนะก็เห็นโรมันเห็นเปอร์เซียในขู่บูชาจาวิทก็บอกว่าที่มีที่เท่เขาเลยเอาจาวิทบ้างแล้วก็มาแขวนที่กาบาแล้วก็เริ่มบูชาจงเป็นแฟชั่นนะครับมาเ่เป็นแฟชั่นเริมเรื่องความที่สุดท้ายนี่กลายเป็นศาสนาเรอทเรื่อระวังนะครับ เรื running, no ่องงหนอตีได้งความศรัทธานี่จะมาเที่ไม่ได้น่ะจ่มาเอาเรื่องเที่ไม่ได้นี่มันต้องมันต้องเป็นเรื่องที่มันเป๊ะในด้านการศาสนาอัลลอฮฺสุบฮานะวะาะพวกเราได้ใช้สติปัญญาในเรื่องนี้นะครับแลวยังถามคนที่บูชาเจวิตเจวิตมีที่เสร้างมานี่ก็มันก็มีขามีตามีมุมมีอะไรอัลลถามว่าอัลฮุมอรจุลยัมชูนบิฮ อัลลฮ์มีอั ydı يبطشون بها อัลลฮ์มี أعين يبصرون بها อัลลฮ์มี آذان يسمعون بها كل دعو شرك أقوم ثم كي دون فلا تظرون พวกมันมีถ้าวที่ใช้มันเดินกระหน่ำหรือว่าพวกมันมีมือที่ใชมันจัดการอย่างรุนแรงหรือพวกมันมีตาใช้มันมอง หรือว่าพวกมันมีหูที่ใช้มันฟังจงกล่าวเถิดอ้มมหหมัดว่าพวกท่านจนงม่ความขอต่อบรรดาภาคีของพวกเจ้าเถิดและจงวางอุบายวางอุบายแก่ฉันด้วยจงอย่าได้ประวิงเวลาให้แก่ฉันเลยนี่ท้าทายบอกว่าไปหาเจาเวิตที่บูชาเี แล้วก็ให้พวกจเจ้าหนี่มันเดินมาหาเราสิให้มาให้มันเอื้อมมือมาหาสิให้มันสแสดงศักยภาพที่จะมองที่จะได้ยินที่จะโต้อตอบสิท้าทายนะแล้วไม่ต้องประวินเวลานะฉันไม่ให้เวลาลให้มาเลยเชิญมาเลยถ้ามันทำได้อะนี่มันเป็นตะ ก, กะง่ายๆที่จะให้เราได้พิสูจน์ ว่สิ่งที่จะถูก อ, อุบัติขึ้นมาเป็นพระเจ้าอุปโลกขึ้นมาเป็นพระเจ้าตัวพิสูจน์เรื่องแรกเนี่ยว่าสิ่งที่อุปโลกขึ้นมาเป็นพระเจ้าเนี่ยมันมีชีวิตไหมก่อนที่จะพูดว่ามีความสามารถไหยมีเดชานุภาพไหมมันมีชีวิตไหมถ้ามันไม่มันถ้ามันไม่มีชีวิตน่ะ เราจะไปรห้เราจะสถาปนาให้ม so <|ja|>> ันเป็นพระเจ้าถูกรุปสักการะได้ไงอินนวลียอัลลอฮ์นี่พอมาเทียบแล้วพระเจ้าที่แท้จริงล้วนะที่เราต้องมาพอมาเทียบแล้วนะอินนวลียัลลอฮ์อัลลอฮ์ที่มิแจการ์บะฮ์ฮุวะฮุเอตวันละซอลีฮีนแท้จริงผู้คุ้มครองของฉัน อ่ะนมืของผู้คุ้มครองวันนี่ผู้คุ้มครองของฉันนี่นะไม่ใช่บรรดาจเจวทเหล่านี้ไม่ใช่สรรพสิส่งที่มันเป็นมัคลูกเหล่านี้แต่พระเจ้าของฉันเนี่ยมากกว่าที่จะมีชีวิตมากกว่าที่จะมีในชาลุภาพนะเพราะองค์เนี่ยยังทรงประทานคัมภีร์มาให้ด้วยแทย้จริงผู้คุ้มครองคองของฉันนั้นคืออัลลอฮ ผู้ทรงประทานคำภีร์ลงมาและในขณะเดียวกันพระองค์ก็ทรงคุ้มครองบรรดาผู้ประพฤติดีทั้งหลายไม่ได้คุ้มครองนบีคนเดียวนะแต่จะคุ้มครองคนดีทั้งหลายที่รู้ว่าพระเจ้าอย่างอัลลอฮฺสุบฮานาห์วาดารานี่อย่าว่าจะมาเทียบกับจเจวิตเออที่คนคุณสักการะกันเนี่ย ความเมตตาของพระองค์เนี่ยที่จะประทานคำเพี ย, อยงอัลกุรอานที่มีคำสั่งสอนที่มีข้อมูลที่มีข้อชี้แนะที่มีทางนำที่ยอดเยี่ยมแบบนี้เนี่ยนี่แสดงว่าเป็นพระเจ้าที่คู่ควรกับการเคารพสักการะ พระเจ้าที่เราขอและให้พระเจ้าที่มีทางนําให้เราพระเจ้าที่เล่าบอกเรื่องราวของโลกจักรวาลนี้เนี่ยให้เราได้สิ้นได้ทราบ พ, พระเจ้าที่จะบอกว่าตอนเป็นนี่เป็นยังไงจะเป็นยังไงตายนี่จะเป็นยังไ ง, ต า, ง, ไงตายแล้วนี่จะไปจะไปอยู่ที่ไหนนี่พระเจ้าพระเจ้าจริงของจริง แต่พระเจ้านี่พระเจ้าดีที่อุปโลกขึ้นมาจะถามอะไรก็มไม่ตอบจะให้ข้อมูลอะไรที่มันไม่เรื่อยไม่นี่ก็มไม่บอกล้วจะเป็นพระเจ้าได้ไง والله ينتدعون من دونه لا يستطيعون أن صلّكم ولا أنفسهم ي س ر و ن มาย้ำอีกครั้งหนึ่งบรรดาผู้ที่พวกเจ้า ว, วิงวอนขออืนจากพระองค์นั้นพวกมันไม่สามารถจะช่วยเหลือพวกเจ้าได้ เราไม่สามารถช่วยเหลือตัวของพวกพวกมันเองด้วยว่าอินตะดูมอีหละหลุดลาสมะว์ว่าทราวมยันบรูนอีเลิกว่าหุ่มลายบัสซิรูนแหละพวกเจ้าวงันพวกมันให้ช่วยนำไปสู่คําแนะนําที่ถูกต้องพวกมันก็ไม่ได้ยินและเจ้าจะเห็นพวกมันมองมาอย่างเจ้าทั้งนี่พวกมันมองไม่เห็น เราบอกว่าชีวิตของเราเนี่ยมนุษย์นะะมนุษย์ที่มีชีวิตมีสมองอะนะเขาก็สามารถพิสูจน์่พิสูจน์อะไรหลายอย่างเราอยากจะพิสูจน์วยลูกเรามีหลายคนคนไหนฉลาดกว่านี่ก็เอาให้ตังแจกตังคนนี้ให้สิ บ, บาทคนนี้สิบบาทสิบบาทแล้วก็บอกให้ลูกไปซื้อของเราอยากจะรู้ว่าลูกเรามีฉลาดแค่ไหน คนนเฉลี่ยหลาดกว่าใครนี่นี่มนุษย์นี่มีวิธีการในการที่จะพิสูจน์พิสูจิ์ชีวิตของคนอื่นอเมริกาบอกว่าพิสูจ์ชีวิตจังหวัดที่กำลังสกดนี่เ ม, มิาเป็นอาหรับบันอาหรับที่ที่าสมุอาหรับตอนนั้นนะโอ้จังหวัดกาบานี่ยสามร้อยกว่าสมร้อยกว่าตัวแขวนที่กาบาอ่าอันนี้นจังหวัดสาหรับ การแต่งงานอันนี้จะเว็ดสําหรับการทําสงครามอันนี้จะเว็ดสําหรับธุรกิจอ่าสำหรับเดินทางไปทําธุรกิจไปยเมนมีเฉพาะสําหรับการทําธุรกิจไปเมืองชามนี่มีเฉพาะอ่าอันนี้สําหรับอ่าสำหรับเกษตรอ่าจะปลูกอินพัลลมจะปลูกพืชอ่าสารพัดพระเจ้าสารสารพัดบารมี แล้วเจ้บอกว่ามีแบ่งกันอย่างนี้ในพระเจ้าสามรอยองแบบนี้เนี่ยโอ้แล้วก็ตัวจริงอยู่ไหนเนี่ยอาม่าบอกว่ามีสูตรดิเชิญชวนมันดีพูดคุยมันดีคนที่สร้างพระเจ้านี้ก็สร้างให้มีหูมีตาใช่ไหมอัาม่าก็บอกว่าก็มองดิมันก็มีตาใช่ไหมแต่มันมองเห็นไหมละคือในใจอ่ะรู้ในใจเนี่ยเราก็มองเออมองชาวิวนี่เนี่ยมันก็มีตา บางทีนี่ก็เอเหมือนไอ้เนี่ยคนที่ลิวนับเดฟเฟนชีเนี่ยที่ที่วาดภาพโมนาลิซาเนี่ยเขาบอกว่าวาดภาพยัางอัจฉริยะมากภาพของเขานี่นะเราจะตั้งภาพอยู่ตรงไหนเนี่ยไปยืนตรงไหนเนี่ยเราก็จะรู้สึกว่าไอ้โมนาลิซานี่มันมองมันมองถึงเราก็ <c oughs> ะจะสซร์รที่แต่ในใจมันมองจริงไหมละ่ะไอ้ภาพนี่มันมองจริง ไอ้ภาพนี้มันมองเห็นเราจริงไหมล่ะเราจริงจะจะไปบูชามันเหรออัลลอฮ์อัลละฮ์ะกำลันใช้ทุกตกะให้สติปัญญาของเราเนี่ยสามารถพิสูจน์ความสามารถของสิ่งที่มีหุ้นส่วนกับอัลลอฮ์สุภาละหัวตาล่ะอ้าวถ้าอันนี้ไม่ใช่สแสดงว่าไม่ใช่ว่าจ้านี้ไม่ใช่นี่ไม่ใช่อนี้ไม่ใช่ สรุปแล้วเนี่ยโลกนี้มันมีพระเจ้าองค์เดียวแหละมีพระเจ้าหลายองค์นีป่านนี้ก็ต้องทะเลาะกันแหลกเลยอ่ะฮพระเจ้านี่ก็ต้องก็ต้องแย่งบารมีกันแย่งเดชชนกราบกันแต่โลกนี้เนี่ยจะได้สงบแบบนี้เนี่ยโลกจักรวาลดราศาสต์ทั้งหลายมันจะได้สงบแบบนี้นี่ต้องมีผู้บริหารผู้เดียวผู้จัดการคนเดียว มันเหมือนตะกาที่บอกว่าเรือมีกัปตันสองกัปตันเนี่ยวเรืมอมีนี่มทไมเอกต่ละกัปตันมีกรดูกแสดงฝีมือเอ้พาพเรือไปน่นอีกกัปตันนึงพายเรืไปนี่เนี่ตมพดีนะครับเจ๊บละต้องมีผู้ น, น, กก น, นาคนเดียวเคยมี ม, มนะครับไปทีไห น, นมีนายกสองคนมีประธานาที่ไดีสองคนบริหารเวลาเดียวกันมันมีที่ไหนละ่ะนีตกาเราใช้กัน ใช้กันในชีวิตของเราทําไมเราไม่บอกว่าโลกนี้ก็เช่นเดียวกันนะครับถ้ามีพระเจ้าสององค์นะฉะนั้นในอรารยธรรมของกรีกของโรมันหรืออรารยธรรมที่ถูกบิดเบือนบางอรารยธรรมเนี่ยก็จะมีอะไรแปลกๆแล้วก็พระเจ้าพระเจ้าองค์นี้กับองค์นี้ทะเลาะกันโอ้ทะเลาะกันอันนี้ก็เอาเอาฟ้าผ่านี้มามาสู้กับพระเจ้านี้พระเจ้านี้พระเจ้านี้ก็นหงนอยไปนะู้แปลบนี่สิเหมือน มนีนิทานนิทานหมากับแมวอะไรเงี้ยแมวกับหนูเนี่ยจะมาใช้กับมาใช้กับบริบทของของคำว่าพระเจ้านี่มันมันดูตลกมากเลยอ่ะมาสุพรรณหัวตาอะไรอย่าให้เราได้ใช้สติปัญญาในการที่จะให้ข้อสรุปเพราะว่านี่ในับันมีรื่องดังหลาย่ ที่ได้มาสั่งสอนที่ได้มาพูดคุยกับประชาชนของเขาทีต้องการให้เราได้ไม่มีข้อสรุปชัดเจนแล้วจะมีข้อสรุปชัดเจนแบบนี้เนี่ยยึดมันในข้อสรุปนี้เนี่ยว่าเรามีพระเจ้าองค์เดียวนะและพระเจ้าองค์เดียวเนี่ยที่จะช่วยเราเราอย่าไปพึ่งพายอย่างอืน่นพอเจอวิกฤตอะไรนี่เอออย่าอย่ก็อ ย, ย, ย่าไปอ่อนข้อเออพอเจเอลูกป่วยหรือเราป่วย นี่ไปหาตัวมะกอมตัววีนนคนนี้ไปหาสารเจ้าเออองนี้แล้วก็เอาหัวแพะนี่นี่ไปหวปตหวายที่นี่หมอดูนี่กระหรอกว่าเนียกจะมีลูกหรือเชื่อแพะตัวหนึง่ง เ, เชือดไก่บ้านสามตัวแล้วก็ไปวางในกองขยะน่นนะ่ะแล้วก็เดี๋ยวเดี๋ยวเขาจะช่วยถูกหลอกแบบนี้ชีวิตของเรานี่ไม่จุกนะฮะไม่จุกเอาลูกคนแรกนี่นะ่ะ ไปเทวไว้ไก่สามตัวแล้วไปวางที่กองขยะตามที่หมอดูมันแนะนําพอลูกตุ้ยล่ะก็ะไปหาหมอดูหมอดูก็บอกว่าเอาก็าต้องต้องเพิ่มอีกอะอีกตัวละเอาสักสิบตัวพอไปแล้ววะนะเอาไม่เวิร์กลูกตายเอา้าวตกลงออก็คงเดินงดิดไปอีกองหนึ่งไม่ชอบไม่จบไม่ชีวิตจวนยังเงี่ย แล้วคนที่ไปหาหมอดูนี่ก็จะเจอแบบนี้แหละครับมีคาอ้างสารพัดมีคาตอบสารพัดแต่ชีวิตยังไม่มีอะไรหนักแน่นเลยและนี่คือและนี่คือความสวยงามของอิสลามแม้จะเจไม่ได้กับอิบาดานีอัลลอฮ์นั้มีบอกว่าให้เรานี่มีความบริสุทธิ์ใจนการทำอิบาด ละหมาดนี่ก็ให้ลณะบริหารเทวะยาแล้วเทละหมาดอุกอวดันมันไม่จบก็าะกลายละหมาดละหมาดผู้ใหญ่บ้านมาละละหมาดนี่พออาจารย์เข้ามาด้วยเขเอาเอาเอาดีๆเอาดีๆใจเรานี่มันแบ่งไม่หมดเี่ยเอาผู้ใหญ่บ้านส่วนหนึ่งเอาอาจารย์ที่ส่วนหนึ่งเอาพ่อเข้ามานี่อายุเข้ามานี่เอาเอาอายุมาเลี้งวาะ่วาระหน่อยอายุก็ได้ไปอีกส่วนหนึงอัลลอฮอยู่ไหนล่ะ ตกลงละหมาดนี่เราแบ่งให้หมดแล้วเฮ้ยรู้เหมือนนักการเมืองนเขาไปละหมาดเนะเขาจะหาเสียงอ่าอิมามันอิม่พอเขาติดมาดู้อติดมาดูพอกำนัลมานี่เาจะหาเสียงไยอยากได้ประโยชน์ผลประโยชน์จากคนกนี่แบ่งไม่หมดแล้วแล้วตัพระเจ้าที่กำลังมุงนี่กินลัเนี่ยได้อะไรล่ะ มันไม่จบนะครับเช่นเราจะทำใบบาด้เนี่ยตอมุัศมีก็ต้องมีความบริสุทธิ์ใจแต่ในชีวิตของเราเนี่ยเราไม่มีพระเจ้าที่จะมุ่งมั่นแสวงหาบารมีแสวงหาความช่วยเหลืออื่นจากพระผู้สร้างที่แท้จริงที่พี่น้องไปดูไปศึกษาในบรรดาศาสนารลที่ ที่เขาใช้สมองนะไม่ใช่ศาสนานแล้วที่ทุกทหมดบีดเบือนไปหมดนะศา ส, สนานแล้วที่ที่เขาใช้สมองนะเขาบอกว่าของที่เคารพสักการะนี่ไม่ได้ไม่ได้เรื่องถึงแม้ว่าเขายังไม่ถึงที่จะรู้ว่าพระเจ้าที่แท้จริงนี่คือใครนะแต่เขาจะเขาจะถึงขึ้นทางว่าไม่ใช่อ่ะคือมียอะแบบนี้นี่มันไม่ใช่อ่ะเยอะมันเยอะเหลืเกินน่ะมันไม่ใช่ และหลังจากนั้นนอกจากว่าหลักศรัทธาเนี่ยจะต้องเป็นที่ยึดสำหรับผู้ศรัทธาเป็นเสาหลักหลักศรัทธานี่มันจะไม่มีประโยชน์ใดๆถ้ า, ากว่าเราไม่มีคุ ณ, ณธรรมไม่มีคุณงามความดีประกบประกบกับหลักศรัทธาไม่ใช่ประกอบแนละ้วประกบ มันตึ้งมันตึ้งไปด้วยเออประกอบประกอบไม่หมายถึงเ่าหลักศรานี่ประกอบไม่หมายถึงเ่อหมายถึงว่าคุณธรรมนี่มันจะเป็นส่วนประกอบแต่ไม่ใช่ต้องประกบหลักศรานี่มันมันคือริ่งหลักแล้วก็คุณธรรมนี่มันประกอบไปด้วยกันแล้วถ้าคุณธทํานี่มันก็จะยึดหลักศรานี่หลักศรานี่ก็จะมีคุณงามความดีเนี่ยประดับประดาอยู่ตลอด น, นี่ี่ีคือโครงสร้างของอิสลามคุณงามความดีเนี่ยต้องอยู่คู่เคียงต้องอยด้วยกับหลักศรัทธาหลักศรัทธาย่างเดียวนี่มันไม่พอหลักศรัทธายางเดียวนี่แสดงว่ามันไม่สร้างประโยชน์กับมนุษย์คนมีอ า, าคีได้แต่หยาบคายคนมีอาคีได้แต่ไม่มีมารยาดังนี้ย เัาโอยถ้าอาิบาตจียวแล้วเนียอยงอนไม่เป็นไหรอกไม่ใช่ไม่มีหรอกแบบนี้มันต้องมีทั้งสองแลในเรื่องนี้มีตั้งทนมีมีในสั่งสอนที่มักการ์เน่พูดถึงเรื่องอากิบาแ้วก็พูดถึงเรื่องมารยาทและจริยธรรม้าวสาระอามุรหชมุตุนลอฮวเราะต่งคามมักก์เน่เป็นสังคมที่เต็มไปด้วยชีิการตั้งพากีกับอัลลอฮ์ตั้ภาคีกับอัลลอฮ์ละก็มันมัน ช่างช่างชั่วเลวทามอยู่แล้วแต่ความชั่วนี่มันก็มีมารายาทที่เลวสามไปด้วยสังคมสังคมที่มากกา๊านี่ก็มีแต่คนกินเหล้าเล่นกันพ น, นันมีร่วมประเวมีผิดประเวณีมีกินบอกเบีย้ย คนรวยไม่ช่วยคนจนคนจนนี่ก็ยิ่งจนคนรวยก็ยิ่งรวยสังคมมันก็เป็นแบบนั้นจริงๆฉะนั้นถ้าไม่มีจะมาจะมาเรียกร้องให้ชาวมการทววทิทิ้งชีวิตเนี่ยแต่ไอไอโครงสร้างด้าน มารยาด้วิถีชีวิตที่มันเรวซามที่มันต่ำช้าเนี่ยมันจะไม่เปลี่ยนแปลงเลยเนี่ยไม่ได้ฉะนั้นหลักศรัทธาที่นบีได้มานำเสนอเนี่ยมันต้องมาคู่เคียงมันต้องมาพร้อมๆกับหลักศีลธรรมฉะนั้นตั้งแต่อยู่ที่มักกะเนี่ยสว่วนอาราเนป็นสว่วนทมักกะเนี่ยท่านลบีสบลละัละลก็เรียกร้องสู คุณไม่ทำความดีที่มันจะต้องที่มันจะต้องมีภายหลังที่มีความศรัทธาแล้วขู่ละฟัวว่ามุรบิลูรฟีวาอาร์ดะนอัลเจาฮิลีนขู่ละฟัวเจ้าอูโมฮัมมัดจงยึดถือไว้ซึ่งการให้อภัยและจงให้และจงใช้ให้กระทำสิ่งที่ชอบ ว่าอุโมบิลทสิ่งที่ชอบทุกเรื่องเลยนะละจงผิหลังให้แกผู้โสดเขาทั้งหลายเถิดสมอย่างคืลฟวาบิลอรฟว่าอรอันาฮิลีนคว่าอัลลฟาเนี่ยมีสองความหมายนะครับ u l l ม m a d i b อัลอฮฟาถ้าถึงเรื่องเอ่อ มาระยาททั่วไปนี่คำว่ออาอาราฟทั่วไปว่าอภัยอันนี้ก็เลือกทัศนะ ท, ที่อธิบายคํานี้เนี่ว่าเจ้ามูฮัมมัดจงยึดถือไว้ซึ่งการอภัยแต่คาว่าอลราฟวาในภาษาอ р ั б เนี่ยมีความหมายอีกความหมายหนึ่งก็คืออลราฟก็คือส่วนเกินส่วนเกินมไหมายถึงว่า อูมห์มห์มัดจงเอาส่วนเกินจากทรัพย์สินที่ทุกคนไม่มีแล้วก็ไปแจกกับคนยากจนในสุรษอัลบาคารันี่ก็มีพูดดิแบบนี้อููนกกมยัฟฟุวเขาจะถามว่าจะอะไรบริจาคเอาอะไรบริจาคโอูมห์มห์มัดจงตอบกุลอัลลาฟัวส่วนเกินเกินจากความต้องการ เรามีทรัพย์สินเราเราใช้สิ่งที่ต้องการส่วนที่มีเกินนะั่นนอันนั้นเราเอาไปบริจาค ก, ก็มีสองความหมายและความหมายนี้มันจะเลื่อนเป็นความหมายที่มุ่งที่จะให้เราได้ทําคุณธรรมอุลมาได้ผูกพันนะครับระหว่างการบริจาค ก, กับการให้อภัยเนี่ยอุลมาเขาบอกว่ามันไม่มักจะเกิดจากนิสัยเดียวกัน คนที่ชอบบริจาคมักจะเป็นคนที่ชอบให้อภัยแล้วคนที่ตรณีทีเหนียวเนี่ยคือคนใจแคบที่ไม่ค่อยไม่ค่อยให้อภัยเออก็เป็นเรื่องนี้มีความจริงเหมือนกันสออย่างนี่นะถึงแม้ว่าสองความหมายที่มันมั น, ม, นมันน่าจะไม่น่าจะเกี่ยวพันกันนะแต่โดยนิสัยนะโดยนิสัยนี่มันมันมักจะมาจากแหล่งเดียวกันนะ ดังนั้นอัลลบอกว่าฮุสไปว่าุสตรงนี้ไปว่าเอาหรือไปว่ายึดถ้าจะแปลว่าเอานี้หมายถึงว่าเอาส่วนเกินของทรัพย์สินของเขาแล้วก็ไปบริจาคไปให้ไปแจกให้สังคมเอาจากคนรวยนี่ไปให้คนจนสังคมจะได้มีความเสมอภาคจะได้มีความเอ่อพูดรื่งนี้แล้วนี่ก็ชื่นชมนายกที่ได้ทําจดหมายเปิดผนึกไปถึงเศรษฐีสิบท่านในประเทศไทยเออก็นั่นดีเหมือนกันนะ เขาบอกว่าไม่มีขอตังค์ท่าจะขอตังคนะ์ก็จะเปลนจะเป็นอะไรเลยท่า <c oughs> จะขอตังค์นะครับผู้นำหรือประชาชนขอตังค์นะทำไมอะ่ะก็เาเาให้เขาอะ่อาววาะบรรดาพวกสวพวกเรษีเนี่ทั้งหลายเนี่ยได้ตังมาจาไหก็ จ, กจกระรัฐบาแลแประชาชนยาวิกฤตแบบนี้เนี่เราจะขอช่วยหน่อยช่วยหน่อยได้ไหม แล้วมันแล้นจะแม่เก็บตรงไหนอะแล้วจะไม่ช่วยตรงนี้เนี่ยไม่ช่วยเวลานี้เนี่ยแล้วตังนะถ้าจะไม่ใช้ช่วงนี้เนี่ยจะไปใช้ตอนตอนไหนอะทั้งแต่ละคนมันไม่เก็บไว้นี่น่ยถ้าจะเอาตังมากินอย่างเดียวเนี่ยมันก็ไม่หมดไม่ต้องกินอาหารนะเอามากินตังเนี่ยตังยังไม่หมดครับใช้ไปเหระแล้วท้านจะรอนะครับไม่ยามวุ่อยู่มันจะรอ แล้วหลังจากนั้นเน่ยพอจะทำธุรกิจอะไรเนียเฮ้ยอุดมคนหน่อยคนนี้เนีโรของฉันมีอุดมซื้อคนนี้เอายี่ห้อนี้ทําไมเหรอยี่ห้อนี้เนี่ยเมื่อกรีดนี่มันช่วยประชาชนแต่ยาเมื่อกรีดแบบนี้เนี่ยมันมีช่วยมีมีแต่จะเอาอย่างเดียวมีแต่วยอย่างเดียวเอาดูค่อยดูนะครับพอยาเมื่อกรีดพ้นไปแล้วเนี่ยพวกเศรษฐีที่เที่ไม่ยอมช่วยประชาชนยาเมื่อกรีดดูค่อยดูนะครับมันจะมีการชําระในทีหลังนะ ทีหลังนี่เราจะมีการการคิดบัญชีอย่างดีเลยท่านนายกชื่นชมมานะ่ะนายกบอกว่าเออเปิดจดหมายเปิดประนึ่แต่ไม่มีขอจ้างมันก็ไปขอไปเรอยมันไม่ผิดนะนี่ Allah บอกกับท่านนายกหู้ดีเราฟัว oo, ส่วนเกิ น, นเขานีขอเพราะเราไม่มีขอนะี่ยมีไม่มีท่านนายกไม่ได้เอาตังค์มีใส่กระเป๋าท่านนายกเอนะ ยยอันนี้นายกไม่อยากคนอีนึงนะคืานายกนี่พูไมนะ่ใจนายกไปยุ่งนะนายกไม่ได้เอาตังค์นี่มาวางังสตังค์นี่กระเป๋านายกท่านนายกจะเอาตังขอตังแล้วก็ไม่ได้บังคับเนยะขอให้พวกเขาเนี่ยได้สัญญามีสามัญสัญิ์ให้ตังกับรัฐบาลหรือไม่ต้องให้รัฐบาลก็ได้ออกมาดีเศรษฐีแต่ละคนนีนะ ทุกจังหวัดจังหวัดนี้มีอยู่เจ็สิบจ็จังหวัดนะครับต้นครัวครัวกลางจังหวัดสร้างอาหารทําอาหารเพื่อให้คนยากจนแค่เนี้ยแล้วที่นังรู้ไหมครัวในจังหวัดนี่แต่ละเมืองอะนะวันหนึ่งอะนะใช้เนะี่ยวันหนึ่งอะนะใช้จังหวัดหนึ่งประมาณสําหรับคนจนนะ เพราะไม่ช่ว่าทั้งจังหวัดนี่จะมากินจากจักครัวนี้นะเฉพาะคนจนนทั่วจังหวัดนี่นะครับจังหวัดละล้านสองล้านสรุปแล้วในวันหนึ่งจะใช้สักสัแปดสิบล้านน่ะแปดสิบล้านต่อวันนี่แค่ทําอาหารแล้วก็แจกคนจนนะนะครับวันหนึ่งอ่ะเดือนหนึ่งมันก็จะใช้ประมาณไม่กี่ร้อยล้า น, นอ่ะยุครุ่นี้แค่หลายเดือนนะครับเศรษฐีทั้งหมดนี่นะครับเขามีเป็นแสนแสนล้านน่ะนะ เป็นแสนแสนล้านเนี่ยในวิกฤตนี้ไม่กี่เดือนนี่เน่ใช้ไม่กี่พันล้านนะครับสักสองพล้านเนี่ยท้าให้ประชาชนเนี่ยทึงกับบุญคุณจับใจบุญของเศรษฐีเหล่านี้เนี่ยตั้งครัวทุกจังหวัดแล้วก็ตั้งไม่เยอะนะครับไม่ได้ใช้ตั้งเยอะนี่ผมบวกแค่แจกอาหารนี่นะเพราะอะไรบนอินดี้นี่มมสอนมีกานั่งกาลนังปวดหวัวเรื่องเนี่ยพี่น้องส่งขอความช่วยเหลือ นี่สองพันกว่าคนแล้วเรายังไม่รู้จะทํำยังไงพี่น้องบริจาคมาเนี่ยเราก็พยายามอะไรพี่น้องที่บริจาคมาเนี่ยเราก็สั่งซื้อของแล้วก็แจกในวันนี้เนี่ยอาจารย์ไปซ้ำกุ้งดอกไม้อาจารย์บุคดีเนี่ก็มีรถสงคันของมมสแล้วก็ทีมงานเี่ก็ไปแจกต่างจังหวัดส่วนสาขาต่างๆนี่ก็ทุกวันตั้งแต่เช้าเย็นค่ำ น, นะครับก็ไปแจกแจกของกับพี่น้องที่ขอความช่วยเหลือ ทวกที่แจกตัวนี้เนะนี่ยเาน่จะหลายร้อยแล้วนะครับแต่นี่เราเป็นองค์กรเล็กๆนะครับถ้าหากว่าบรรดาคนรวยเถรษฐีร่วมมือกับรัฐบาลผมบอกว่าสังคมของเราจะไม่มีใครเดือดร้อนเลยแน่นอนนะครับว่ามุ่อุดฟีและจงใชใ้กระทำสิ่งที่ชอบสิ่งที่ชอบนี่มันกว้างเหลือเกินทุกสิ่งทุกอย่างที่มันมีความชอบทำเนี่ยท่านจงใช้ ว่าอาจะบอกว่าเราจะฮีลิ่งผินหลังให้แกผู้โชดเขาทั้งหลายคืออย่าให้ราคาอันเนสามอย่างถ้าเราทำเนี่สังคมจะสงบว่าอินมาซัลกันนะก็มีนัชชีตานี่นะจงฟ้าสต้าดิบิละฮ์อินนั้หุสัมิยุากมีการยัวยุไดใจจากชีตานกำลังยั่วยุเจ้าอยู่ ก็จงขอความคุ้มครองต่ออมาะเถิดแท้จริงพระองค์เป็นผู้ทรงได้ยินเป็นผู้ทรงรอบรู้ที่เรา่านบอกว่าเนี่ยอายะเนี่ยอายะเนี่ยใช้ในละหมาดฉะนั้นในละหมาดเนี่ยโลกแต่กเราจะอ่านฟาดิฮะด้วยเนะก็ก็อ่านอูุ๊บิลลาฮิมินัสซิทัลรจิมไม่ใช่เฉพาะ กรอ่านนอกละมาดในละมาดี้ก็อ่านแต่อุลามตจดเนี่ยเขาบอกว่าเอาอุลิบิลลาฮิมินชชิฏอนอัลรจีมถ้าเริ่มอ่านทุกครั้งจะอ่านจะต้นสุราจะกลางสุรานกเอาอลบิลลาฮิมินอชชิฏอนอัลรจิมบิสมิลลาฮิราหมานีราหิมจะเป็นเต็มสุราบิสมิลลาฮิราะห์จามีคลาวถ้าอ่านกลางสุราเอาอุลิบิลลาฮิมินอชชฏอนรจีม นี่เราจะอ่านในทุกครั้งแต่เนื้อหาของอัยยานี่เนี่ยพูดถึงพูดถึงการอ่านถ้าใช่ตอนอยั่วยุแล้วเราจะรู้ยังไงอะทุกคนรู้ยั่วยุอนี้มันจะมาเมื่อไหร่ ย, ยังไงนี่ไม่มีใครรู้หรอกเพรายั่วยุนี้มันไม่จำเป็นต้องเป็นภาพโป้อย่างเดียวนะยั่วยุนนี้อาจจะเป็นคําพูดคนยั่วยุ อาจจะเป็นการกระทาอาจจะเป็นท่าทางอาจจะเป็นอะไรก็ได้ชิทอนิใช้เป็นเครื่องมือในการยั่วยุวิธีที่จะรอดจากวิธีจากเรื่อนเรืงยั่วยุเนี่ยก็คืออาอซุบิลลฮิมินัสชิทานุรรีบนะครับาะชานะอัลลอกว่าอินนัลเลดีนตัคว่าดามัซซฮฺมท้อีฟุมินัสชิทานิทัดดะคารุอีดะฮุมบุซซูรุนถ้าจริงบรรดาผู้ที่อัมเกรงนั้น เมื่อมีคำชีน้นำใดๆจากเชตตอนปรรสบแก่พวกเขาเชตตอนชี้นำนีมม่หมายถึว่ายู่นี่แหละพวกเขาการมิลึก็แสดงว่าการมิตรนี่คือการก ล, าา ล, ล่าวอ้าว การรํลึกนี่นะเมื่อมีการยั่วยุจากเชตตอนนะเมื่อมีการชี้นําจากเชตตอนคืออูบิดไลมินอชนอันนี้ในยามที่มีการยั่วยุหรือมีการชี้นําจากเชตตอนไฟดาวุมีบุษรุนแล้วทันใดพวกเขาก็มองเห็นก็คือมีความสว่างอา้าวนั่นเปกรณีที่ไม่ไม่ยั่วยุเราก็ไม่ทําม่ทอะไรไม่คือรําลึกถึงอัลลอฮฺนี่มันมีสองกรณีกรณีที่รําลึกจะระคู้รําลึก ตอนตั้วยุรำลึกตอนนิ่เชปอนนเนชีนำอันนี้คือสถานการณ์ฉุกเฉินใช้อาวุธทันทีแล้วก็มีรำลึกเพื่อป้องกันอันนี้ในยามที่ไม่มีตัวายุไม่ตด้มียุก็ได้เนี่ยที่ผมเรียนรู้กับพี่น้องบทรำลึกทั้งหลายอสการ์ทั้งหลาย รวมถึงเรื่องอ่านการอ่านกุอ่านความประเสริอในการอ่านอ่านใครครวนอ่านอย่างที่เรากำลังเรียนรู้อ่านนีทั้งบทเนี่มันเป็นการเริลึกเพื่อสร้างฐานมั่นสำหรับผู้ศรัทธาเมื่อเกิดสิ่งวัยยุบจากซีตอนนั่นเราจะหนักแน่นอาจจะใช้ลำลึกง่ายๆสั้นๆแล้วบางทีอาจจะไม่ต้องใช้เลยบางทีซตอนนื้อยุคนี้เราก็ คืไม่เห็นราคาเลยทาไมอ่ะเพราะเราเลืกอยู่สม่ําเสมอพอเชตตอนจะมาชี้นาอะไรเนี่ยเราจะไม่ยอมไม่เชตตอนจะชี้นำเนี่ยเพราะเรามีฐานมั่นในการรเลืกึกอยู่เสมออัลลอฮฺ سبحانه แะ ت ع ا ل อยู่แล้วว่าขวานุฮุมยามุดดูนะฮุมฟิละวะยิซุนมาลายุคซุรุนและพี่น้องของพวกมันของพวกเชตตอนเนี่ยแม้ว่าจะเป็นพี่น้องที่เป็นเชตตอนด้วยกันเป็นยินด้วยกันหรือเป็นชี พี่น้องพวกมนุษย์พี่น้องเชื้อตอนที่เป็นมนุษย์เนี่ยของพวกมันของชื้อตอนเนี่ยจะช่วยเหลือพวกมันในการหลงผิดอ่าช่วยเหลือแผนหรืออุบายของชื้อตอนในการชี้นามนุษย์ให้ทําความผิดแล้วพวกเขาก็จะไม่ลดละไม่ยุคสรุนไม่ลดละไม่เบี่ยงในการที่จะยั่วยุในการทียยร่ชี้นําให้ทำความชัว่วอุบายของความชั่วนี่มันไม่ ไม่ลดละเลยนะครับส่วนคนดีละ่ะทำไมจะลดละละ่ะส่วนคนดีทำไมบุกร่องละ่ะฉะนั้นคนดีก็จะต้องรวมตัวกันและต้องรวมอารมณ์กานทำความดีขิ้นค้นกันในการทำความดี Allah Subhanahu wa taala จึงให้ผู a a t t ้ศรัทธานี้ได้เห็นคุณค่าของคุณอ่านที่เรามีอยู่ให้เมื่อไหร่แล้วมันเต็มไปด้ินการวิวโลกที่แท้แต ว่าอินนัมัตต์บีอุมาอิยูฮาอิไลม์อิรับบีฮะดาบชะอุรุมิรับบิคุมอัฮุดะวะรหมัตุลิควอมีอุมินุนณเมื่อนิไดมีอายะไดบายมายังพวกเขาพวกเขาก็กล่าวว่าชะไหนเล่าท่านจริงไม่อุปโลกมันขึ้นเองอ้าวมันมีจะอุดประโยชน์อะไรได้ไงจงกล่าวเถิดอ้มฮัมมัดว่าแท้จริง ฉันจะปฏิบัติตามเฉพาะสิ่งที่ถูกให้เป็นโอกาสให้เป็นองค์การแก่ฉันอะไรที่เป็นอายาธิปไตยลงมาฉันก็จะไม่แจ้งอมมาไม่ให้มานี่ฉันก็จะแจ้งยังไงจากพระเจ้าของฉันเท่านั้นนี่คือบรรดาหลักฐานจากพระเจ้าของพวกเจ้าบัซซอเอรและนี่คือข้อแนะนําและการเอ็นดูเมตตาแก่กลุมชนที่ศรัทธา รู้คุณค่านะครับวัวคุณอ่านนี่เป็นบาซ้อเอรเป็นทางนำเป็นข้อแนะนำไม่ใช่เป็นบทสวดไม่ใช่เป็นทฤษฎีไว้อ่านอย่างเดียวไม่มีความหมายในที่เราศึกษากันเรียนรู้กันนคุณอ่านความหมายนี่ถ้าศึกษาอายะนี้ทั้งทีชีวิตนี้อาจจะไม่พอแต่เราพอพอประมาณนะครับข้อมูลที่เราจะได้จากอายะต่างๆนี่ให้มันเป็นทางนำในในวิถี شيء ك م ر ا قرأ القرآن ف ا س ت ل ت و ا ل ع ل ت ر ح و ن ل ى ا ه ل ق آ ن ُ ق َ أ َ ن ْ ت َ ج ْ ع َ ل َ د َّْ ف َ ا ُ ر ل ْ ق ُ ر ْ آ ن َ ا ل ق ُ ر ْ آ ن َ ن َ ت َْ ر َّ د َْ ج ْ و َ م ِ ن َّ ب ل َ ع ََّْ ت ُ ر ْ و َ ى م ي ا ل آ ن ت َُ ك َْْ س ََ ب ْ ف َ ن ْ الْقُرْآنَ الْقُرْآنَ ن ََْ د ْ ل َ مِنْ ن ِ ي َ ب ََْ ك ْ จะได้รับการอินดูเมต้าอิหม่ามอับดุลหม่ามบะฮ์บอกว่าอายานี้เเกี่ยวกับละมาดด้วยในละมาดเนี่ยมัมมอิหม่ามอ่านเสียงดามก็ควรสดับฟังต้องอ่านามไม่ต้องแข่งอ่านกับอิหม่ามลลกรมูนุรบบนัิกะัดรวีฟตวดจ์นลลั และจะคุณในลูกาฟิลิ่มนช่วงแรกที่มักคานี่ยลสั่งทงนาบีมูฮัมหมัดเจ้าโอ้มูฮัมมัดจงรมนึกถึงพระเจ้าของเจ้าในใจของเจ้าด้วยความมอบ น, อน้อมในย่ำเกรงและโดยไม่ออกเสียงดังทั้งในเวลาเช้าและเย็นช่วงแรกเนี่ยกนะ่อนที่จะมีละหมาดห้าวกตูนะนบีจะละหมาดกับสหายในละหมาดสองวกตู จะ น, นําลึกถึงออฮฺ ว, วกระตูตอนเช้าและกระตอนเย็นมีการละหมาด ต, ตอนเช้ามีแค่สองวักระตูนะครับและหลังจากนั้นนะพอท่านลบีขึ้นไปที่อเมอรออร์มอรมีข้อบังคับว่าให้ละหมาดห้าวักระตูวันห า, าจะคุมมิโนโลฟิลีมและจงอ ย, ย่าอยู่ไปหมู่ผู้ที่เผลอเผลอผู้ที่ไม่ใส่ใจคําสั่งของอัลลอฮฺสุฮาห์รุตาลในมารายาทในการขออุาิศตรงนี้เนี่ย มาสุภาโนวดาไลามีมารยาทสองประการสําคัญหนึ่งเราต้องเราต้องรำลึกถึงอัลลอฮ์เนี่ยเดี๋ยวอิส ล, ลาจะมาพูดในรายการที่คุารู้รำลึกถึงอัลลอฮ์ด้วยความมอบ น, อน้อมหรือความทอมตนหรือความเยื่อเกรงอันนี้หนึ่งสองใช้เสียงเบ า, เบ า, เบาไม่ต้องเสียงดังมากไม่ต้องตะโกนนะไม่ต้องตะโกน สาบามีอยู่ครั้งหนึ่งเดินทางก็ดอุทาใช้เสียงดังกันมนันมีก็บอกว่าอารบียวาเลานฟิสกุมช้าๆเบาๆน่อยเอนนะกุมลาตุสเบียนอัซมมาเวลาไกวิบะพระเจ้าไม่ได้วิงวอนพระเจ้าที่หุนวกพระเจ้าได่ยินใช้เสียงเบาๆวิงวอนเนี่ยเป็นมารยาทในการขออุทาศต้องใช้เสียงเบาๆค่อยๆนอบน้อมมีขุชว่วนะครับเรามให้เรียนแบบ เลียนแบบอีกม า, าัยนึงอีกมลัยเดกในการขอดูอานการรำลิกในการสักการะต่อพระเจ้านี่คือเลียนแบบมล า, ายกะอินนัลล์นัดยรบบิักตะักตระหนะหนักตระหนัระหนตระหนักตระหนักตระหนักตระหนักตระหนักระเจั า, จานัานักตระหนักระหนัระหนัาะหนักรนก็นาาาพวักเขาจนะไมัยหกตะกตระหกระหนักระักตระการะหนระหักตรัตรักตรรนก Allah เมื่อสั่งมล า, ายเนี่ยเขาก็จะรีบเร่งว่าจะบิหูน ahu ละกล่าวให้ความบริสุทธิ์คือสรงเสริญกล่าวในความบริสุทธิ์ของพระสุภานุวารดาและแก่พระองค์และแด่พระองค์เท่านั้นพวกเขากราบรานกันาากนั่นหมายรวมว่ามลาย่าเนี่ยเขาจะมีจุดยืยนในการทำไม่บาดาต่อล l l a h อย่างสม่ําเสมอจึงเป็นมารายาทอีกอันหนึง่ง นอกจากว่ารำลึกถึงอ um ัลลอ์อย่างนอบน้อมทรมตนรำลึกถึงอัลลอฮ์โดยใช้เสียงเบาๆไม่ต้องเสียงดังไม่ต้องตะโกนสามให้สม่ำเสมอและนี่คือมารยาทที่มันยากที่สุดอหบาดะต่ออัลลอฮ์อย่างสม่ำเสมอยิ่งในยามวิกรนี้นะครับพี่น้องละมาจะมม่าก็ดีละมาจุมม่าก็ดีนี่นก็เดรอัออาม่ำเสมนากระีละมาจกดี เราตกลงเราจะเอาอยัางไงตกลงเราจะทํำยังไงเราจะเลือกอะไรเราจะเลือกที่จะตามสถานการณ์โดยไม่มีท่าทีสแสดงอะไรต่อหน้าสุภาโนวาจาระนั่นหรือเราจะมอกค ไ, ไม่ได้แล้วเราจะต้องมีหน้าที่ในการในการยินยักถึงจะไม่มีมัสยิดละมาตแต่เราก็จะละหมาด ถึงจะไม่มีจุมร่าแต่เราจะจัดจุมอร่ายังไงนี่ก็หาทางนี่จัดจุมร่าให้ได้ผมกลับไปไปอ่านดูประกาศของจุลานะครับชัดเจนนะประกาศคข้างแรกของจุลานะชัดเจนนะครับท่านบอกว่าเอย่าปิดไม่สิบเดี๋ยวอุษราจะพูดช่วงตอนเย็นนะครับบริการอัลฮัลลอฮฺมอดดอนเราจให้พี่อ้นพี่น้องได้อ่านประกาศของจุลาจุลาบอกว่าไม่ปิดไม่สิบนะ ให้กรรมการให้เจ้าหน้าที่ในในกรรมการเมื่อศีลเนี่ยให้มีคนอาจารแล้วก็ให้มีการละหมาดทุกวัตรตู่ด้วยนี่ผมผมทึ่งนะครับผมแปลกใจว่าคนเขาเข้าใจยังไงแล้วก็มหาว่าเราเนี่ยบอกว่าเออฝืนคําสั่งของจุฬานี่ครับคนที่ฝืนจริงๆเลยที่ปิดเมื่ศีลแล้ก็ไม่ยามละหมาดนี่เนละที่ฝืนคําสั่งของจุฬา คำสั่งของจุลานี่ให้ละหมาดนะครับแล้วก็ให้เปิดมัสยิดให้มีอาญาทุกวักตูนอินชาอัลลอฮ์ชวงอลรับบอสนี่ช่วงตอนนี้เนี่ยผมจะเอาประกาศของจุลานี่มาให้อ่านบางคนเนี่ก็รีบสรุปนะครับไปกล่าวหาใส่ร้ายจุลาว่าจุลาบอกว่าให้สัง่งปิดมสัสยิดนี่ไม่จริงนะครับผมขอปกป้องสํานักจุลาราชมนตรีเรื่องนี้แล้กวก็ที่งดที่จุลาบอกว่าให้งดไม่มีงดนะครับจุลาไม่ได้บอกว่าให้งด พี่ซลก็ไม่ได้อานเลยไม่ได้อ่านประกาศของคุณาเลยนะครับผมพูดเรื่องนี้มาตลอดแต่พบว่าทุกัวนมีผลสนวนชัดเจนเลยก็เลยจะขออนุญาตพี่น้องนี่มาคุยกันเรื่องนี้หน่อยนะการยืจหยกในเรื่องไอบาดาเหมือนมาลายการะครับมาลายการน์นี่ไม่มีวันหยุดเลยไอ้บาดาตอลอดลย่างสม่ำเสมอสิ้นเดียวกันเราก็ขอ สัญญากับอัลลอฮฺ سبحانه ยืนยันกับัลล سبحانه ะเราจะสื่อสารด้วยการมิตรทีอลอฮฺ سبحانه แลอย่างสม่เสมอนี่เป็นช่วงสุดท้ายของสุรเดอารอฟอายะนี้ก็จะมีสัจจะสัจะติเลวะเป็นสัจะแรกนะครับในกุรานนะครับคนที่อ่านก็ควรที่จะสวดติเลวะสวดติเลสวดสวรและตะก่าว มีจะก้ سبحان นัลลอฮฺัลอาลัยอลลอฮฺัลอาลาย س ب อัอฮฺอัลอาลัยนะกวยอลนึเียวเจี่ที่ خلق อวิรุณอะไรก็ตามนะครับแต่สุญตีลาวตีลาวเนี่ยสุญอ่านกุตตานเนี่ยมีในคุรตานอยู่ประมาณสิบห้าที่นะครับนี่เป็นที่แรกนะครับปิดตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นสุร้อสุดท้ายในบรรดาสุร้อยาวยาวนะครับสุร้อยาวยาว แล้วก็ปิดนี้นะครับก็ถือว่าเราได้อธิบายความหมายกุรอ่านตั้งแต่ฟาดิฮายันอัรอฟเนี่ยอินชาอัลหลังเดอร์มอดอนนะครับเราก็จะมาเริ่มกันใหม่ตั้งแต่สุรษะอัลอันฟะลและกอัลเต وبة หวังว่าอัลลฮฺสุฮาห์นะเวตาเาจะให้เราได้มีชีวิตอยู่ร่วมกันเจนอธิบายความหมายคุรอ่านทั้งเรื่มเลยนะครับอินชาอัลลอฮฺ ผมบกพร่องประการหนึ่งประการในในการอธิบายผิดพลาดประการหนึ่งประการในในการอธิบายกุรานขออภัยโทษต่อรัฐสภาเนาวดารและขอใหพี่น้องได้ช่วยเตือนผมแล้วก็ปรับปรุงในสิ่งที่ผมผิดพลาดที่ผมได้นําเสนอการอถ ธ, ธิบายความหมายกุรานหรือฮะดีสนะครับซึ่งอินชอนล้อหหลังเดือนรอมฎอนนี่เดี๋ยวเราจะว่ากันอีกทีนึงว่าจะจะกลับ อธิบายฮะดีสยังไงเพราะเราก็ยังอยู่ในหะดีสไซบุคอรีนะครับการอธิบายทั้งกุรอานและฮะดีสเนี่ยกระโน่นเป็นสิ่งที่ผมได้ทํามาเมื่อสิบห้ากว่าปีแล้วแล้วก็ขอต่อเนื่องนี่ให้ชีวิตของผมเนี่ยส่วนที่เหลือในชีวิตเนี่ยได้ยินเนี่ยในการจะสอนกุรอานและสอนฮะดีสจากตัวบทให้ประชาชนเนี่ยได้อยู่ใกล้ชิดกับอัลลอฮ์ใกล้ชิดกับบรสูนมากที่สุดด้วยการ หินแลวก็ฟังคำดำรัออัลล์นของท่านนบีอลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัมเข้าใจูซึ่งรู้กในเนื้อหาของกุรอานและะดีษของท่านนบีซอลลัลลอฮุอะลัยฮิวะัลลัมแลพยายามค้นหาเป้าประสงค์ต่างๆที่มีอยู่ในคาสั่งสอนในกุรอานและฮะดีษและแบบนี้เนี่ยเราก็จะมั่นใจนะครับว่าเรารู้ องค์การของอัลล์คสั่งสอนอัลล์ครู้คาสั่งสอนของท่านนบีสัม l l h อะลัยฮเซลัมเข้าใจหลักการศาสนาและคนที่เข้าใจหลักการศาสนานี่แหละคืออัลล์ประานนาดีต่อเขาอย่างแน่นอนซัลลัลลอฮุอะลัยฮนบีนมุฮัมมัดวะลอลีบีวะสัลลัมซลลมุอะลัยุมวะรุลลอฮิวะบรตุ